จิตรวมเข้ากะลมหายใจนิ่งๆไปนะพอจิตรวมแนบอยู่กะลมหายใจสักพักหนึ่งนะลมหายใจจะกลายเป็นแสงสว่างนะจากเส้นเป็นเส้นสว่างเป็นสายของความสว่างก็ค่อยรวมเป็นดวงสว่างขึ้นมาอย่างเงี้ยดูเข้าไปอีกได้แต่ความสุขความสงบหรือดูท้องพองยุบถ้าขาดความรู้สึกตัวนี้จิตจะไปอยู่ที่ท้องจิตจะไปเพ่งอยู่ที่ท้อง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 เมื่อเราเรปีสี่สามนะหลวงพ่อมาที่นี่ตอนนั้นยังเป็นคราวาดหลวงปู่เหลียนยันมาเทศอยู่ตอนนี้ท่านไม่เทศให้เราฟังแล้วนะแต่ท่านนอนให้เราดูนอนนีนะ้ตอนนั้นก็มีคราวาดเนี่ยชอบมา่วยโอกาสตอนที่หลวงปู่ชันอาหารเนี่ยจะมาถามธรรมะหลวงพ่อวันหนึ่งก็มีคราวาดคนหนึ่งนะเดินดุยดุยมาถามหลวงพ่อผมชื่อสุรวัตร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 สัตว์เดรัฉานมีโมหะมากใจลอยถ้าไม่ใจลอยก็ฟุ้งซ่านอุตรลุ่ตไปไม่ก็ซึมไปเลยนะไม่ก็ลังเลสงสัยไอ้นั่นก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่หรือมันยังโน้นหรือมันอย่างนี้นะคิดมากนะพราะคิดมากลังเลใจมากนะนี่ก็อยู่ในภพของเดระฉานเนี่ยใจของเราหมุนเวียนอยู่ในภพน้อยภพใหญ่อยู่ทั้งวันทั้งคืนนะเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติไปเรื่อย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 ยากเหลือเกินที่คนคนหนึ่งจะตื่นขึ้นมาเพราะว่าแต่ละคนนะวิ่งเลาะๆไปเรื่อยเที่ยวสแสวงหาไปเรื่อยหาอย่างโน้นน่าจะดีทำอย่างนี้น่าจะบรรลนะุต้องไปทำบุญใส่บาตรวารละเจ็ดวัดถึงจะดีเนะี่จดจีนต้องฝังลูกนิมิต9วัดถึงจะดีอนะไรเงี้ยวิ่งไปเรื่อยๆไอ้โน้นน่าจะดีไอ้นี่น่าจะดีเนะนี่ยเรียกว่าวิ่งเลาะอยู่ริมฝั่งนะคนในโลกนี้เป็นแบบนี้ คนในโลกไม่สนใจที่จะเรียนเรื่องการเจริญสติปัฏฐานนะได้ยินเรื่องเจริญสติปัฏฐานก็ยังค้านอีกนะอย่างเป็นต้นบางคนก็มีทิฏฐิบอกว่าก่อนจะปฏิบัติต้องทำอัปนอน<ม>อปนาสมาธิให้ได้เสียก่อนถ้าทำอัปปนาสมาธิไม่ได้ก็ปฏิบัติไม่ได้แล้วชาตินี้เข้าใจผิดเ<ม>นะนี่ยครูบาอาจารย์องค์น้ท่านก็เล่านะครูบาโนสอนท่านก็มาเล่าบอกว่าอาจารย์ท่าน บอกว่าอย่างที่อาจารย์ประโมทสอ น, นมันมีสมาธิอยู่ชนิดหนึ่งเป็นสมาธิชั่วขณนะเอาไว้เดินปัญญานะเรียกว่าคณิกะสมาธินะดังนั้นสิ่งที่หลวงพ่อพูดเกิดที่ครูบาอาจารย์วัดป่าท่านสอนมันก็อันเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่หลวงพ่อเปลี่ยนสำนวนในการพูดซะสำนวนให้มันทันสมัยให้คนรุ่นนี้ฟังได้เพราะคนรุ่นนี้อินทรีย์อ่อนเนี่ต้องกป้องปา ก, ปากพูด <c oughs> พูดแบบเกรงใจนะคนรุ่นนี้อินทรีย์อ่อน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 มันต้องเป็นธรรมะที่ชํามแรกเข้าไปถึงจิตถึงใจจริงๆนะถึงจะสู้กิเลสได้ต้องรู้ทันลงไปเลยกิเลสแทรกเข้ามาในใจต้องรู้ทันเลยเ น, นี่ยเราจะรู้ทันได้ต่อถ้าไม่หลงนะต้องรู้สึกตัวอยู่เอ้าเชิญถามยังจะมีใครถามไหม <c oughs> อุตส่าห์พูดขนาดนี้แล้วนะ <c oughs> <c oughs> พวกที่จองคิวไว้จะยกเลิกก็ได้นะ <c oughs> <c oughs> ทําไมช่างถามเนี่ย <c oughs>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 อา้าวใครจะถามมีไหมหรือยกเลิกไปหมดแล้วอ๋อมีจนได้เหรออ้อาวคนนั้นเสียสละไม่เอาเลยนะกลับมาของพ่อค่ะลูกอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าที่ลูกได้ปฏิบัติเงี้ยนี่มันถูกหรือเปล่าตอนนี้ยังสับสนคาว่าดูจิตแล้วก็สติอะไรเงี้ยนะคะโยมลืมคำว่าปฏิบัติซะ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 ปฏิบัติยังไงก็ผิดเพราะเราคิดว่าเราควรจะทำอะไรดีนะที่จริงไม่ทำที่จริงคือรู้กริยาคือรู้ไม่ใช่กริยาคือทำอย่างหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้ยืนก็รู้เดินก็รู้นั่งก็รู้นอนก็รู้เป็นสุขก็รู้ทุก็รู้เฉยๆก็รู้เห็นไหมมีราคาก็รู้มีโทรศก็รู้มีแต่คาว่ารู้เราอย่าทาอะไรเกินจากคำว่ารู้นะ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 ไม่ทราบว่าลูกนี่ตื่นมันตื่นมันตื่ น, น, นง่วงเงียออาการที่ว่าเวลาตื่นเนี่ยเวลาเลยนะตื่นเนี่ค่ะพอเวลาปฏิบัติขึ้นมานะคะขณะนี้เหรอค่ะเออมันกดไว้น ะ, ะแล้วจิตมันมีโมหะเข้าแทรกมันมัวมัวค่ะแล้วพอตัวคิดมันคิดตลอดนะคะคิดซ้อนขึ้นมาตลอดเลยค่ะจิตมีหน้าที่คิดจิตคิดตลอดเวลาถูกต้องแล้วใช่ดีใจด้วยนะที่ไม่ได้เป็นต้นไม้ค่ะเป็นคน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 ไปถึงไหนแล้วเชิญการไม่มาตรการของพ่อค่ ะ, ะเตื่นเต้นนิดหน่อยอมไม่เป็นไรนะเพาะาฟังคำถามคนนี้คนนี้แล้วเกืบจะลืมคำถามตัวเองอพี่จริงๆอยากจะให้อพ่อดูว่าตอนนี้จิตตื่นหรือยังค่ะอย่าไปกังวลเรื่องจิตตื่นนะเวลาที่จิตตื่นเนี่ยตื่นทีละแว็บเดียว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 พอจิตไหลไปแวบเดียสติก็เกิดแล้วเพราะเราเคยรู้ทันสภาวะที่จิตแอบไปคิดเพราะฉะนั้นโยม บ, บริกรรมไว้ก็ได้นะพุทโธธรรมโมสังโฆอะไรก็ได้หรือเราดูท้องพองยุกก็ได้ดูท้องพองยุกไปเรื่อยนะแล้วจิตก็แอบไปคิดแวบเราก็รู้ทันจิตไหลไปเพ่งอยู่ที่ท้องเราก็รู้ทันแม้กรรมฐานอะไรก็ใช้ได้ออคือคําบริกรรมนี่คือปล่อยไปหลายปียนะเพราะว่าไปฝึก ดูเวทนามาดูเวทนาก็ได้นะยมรู้เวทนาไปสังเกตไหมเวทนาไม่คงที่มเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบาใช่ไม้มเดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวก็มา<ต>อีกหรือไม่ก็ลืมมันไปตรงที่ลืมมันไปเนี่ยก็ให้รู้ทานว่าลืมไปแล้วตรงนี้หลงไปแล้เพราะฉะนั้นเวลาเรารู้เวทนาเราเอาเวทนาเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่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 จิตที <Kell ee anthropology> mention, modeling, ่แอบไปคิดเนี like ่ยชอบแอบไปคิดแวบแวบแวบไปเรื่อยๆจิตไหลไปคิดแล้วให้รีบรู้ทันไวๆนะฝึกตรงนี้ให้กันบ้านแล้วนะให้ทำนะกลับมามาสการกลับมากลับมามสการหลวงพ่อเจ้าค่ะก็มาส่งกันบ้านตื่นเต้นมากก็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 ขาดตอนที่ทำผิดศีลนั่นแหละตอนที่ไม่ได้ทำผิดศีลเราก็มีศีลห้าตอนนั้นเราก็ภาวนาไปอาจจะบรรลุมรรคผลตอนนั้นเลยก็ได้นะขอการบ้านหลวงพ่อด้วยคะอย่าบังคับตัวเองแล้วก็ตามดูไปเรื่อยๆนะอย่าขี้เกียจนะโง่เ้งขี้เกียจอยู่หรอก <c oughs> นะดูเรื่อยๆนะไม่ใชด่ดูแป๊บๆดูแป๊บๆแล้วโมโห อ, อีกแล้วเมื่อไหร่จะบรรลนะุอ่ะคนต่อไป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 ทำไมหลวงพ่อมาชี้ให้ดูตรงที่จิตหนีไปคิดบ่อยๆถ้ารู้ว่าจิตหนีไปคิดก็จะรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วจิตจะหลุดออกจากโลกของความคิดแต่<ะ>ลูกมีความลูกมีความรู้สึกตัวว่าเวลาเดินหรือเคยเคยฟังอย่างที่อาจารย์สุรวัตรพูดหรือว่าหลวงพ่อพูดะนะคะคือเดินจงกรมเนี่ยแค่เดินไปเข้าห้องน้ําเวลาทํางานที่ออฟฟิศเนี่ยแล้วก็รู้กายรู้ใจคือรู้ใจบางทีรู้ไม่ค่อยอไม่ค่อยชัแต่จะรู้กายก็คือการเดินจงกรม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 มันเป็นแค่ต้นทางเรตื่นขึ้นมานะตื่นบ่อยๆนะตื่นบ่อยๆได้เพราะอะไรเพราะว่าหลับบ่อยๆ <G rocket> ถ้าหลับหนึ่งครั้งก็ตื่นหนึ่งครั้งใช่ไหมหลงไป10ครั้งก็คือรู้สึกขึ้นมา10ครั้งหลงบ่อยๆแล้วก็รู้สึกขึ้นมาพอรู้สึกก็เรียกว่ารู้สึกตัวบ่อยจิตไหลไปในความคิดหนึ่งนาทีรู้สึกแล้วว่าหลงไปคิด <ille> ต่อมา10วินาทีก็รู้แล้วว่าหลงไปคิดต่อมาสองวินาทีก็รู้แล้ <S <S แลว จิตเราก็ตื่นทีขึ้นทีขึ้นนะมันไม่ได้ตื่นตลอดวันมันจะตื่นแล้วก็แวบเดียวดับแวบเดียวดับนะอย่าไปกังวลเื่งตื่นไม่ต้องตื่นเยอะแต่ตื่นบ่อยๆไม่ต้องตื่นนานผมฟังธรรมะหลวงพ่อมาประมาณเดือนเศษนะฮะที่นี้อยากขอคำแนะนำแล้วก็มีเวลาที่ระหว่างที่ปฏิบัติเนี่ยช่วงหลังจะมีความสจมืนที่ชีรัะแล้วก็ตามรู้ว่ามืน อิดฟงซานหรืออะไรก็ตามก็หายไปตัวนี้จะเกิดจากวิบากกรรมหรืออะไรหรืวิ่ากครับส่วนมากนะถ้าเราอยู่เฉยๆเราไม่เป็นแต่พอเราปฏิบัติแล้วถึงจะเป็นเนี่ยเกิดจากการบังคับตัวเองพยายามจะรู้ให้ชัดพยายามจะให้จิตนิ่งจิตสงบนะบของโยมเนี่ยยังคุ้นเคยที่จะควบคุมจิตให้นิ่งกรรมาฐานเก่าวๆที่ฝึกเนี่ยจะโน้มไปในทางทําให้นิ่งอยู่ครับต้องแก้ไยังไงโยมพยายามเคลื่อนไหวไหม S <S <S คือคนเนี่ยพอรวมทั้งหลวงพ่อด้วยนะพออายุห้าสิบขึ้นเนี่ยให้ไปนั่งสมาธินานๆเ น, นี่ยนะใช้ไม่ค่อยได้ถ้าไม่เป็นเพ่งไว้นะาก็จะหลับไปง่ายๆแล้เรากระดุกกระดิกไว้คือก่อนหน้านี้เนี่ยก็ปฏิบัติโดยไม่มีครูบาอาจารย์พอเวลามีสมมมีปัญหาความคลิกวา่าต้องคิดต้องเครียดอะไรก็ตามเนี่ยก็ะนนยจะมานั่งแล้วก็ทำให้มันดิ่งนะครับก็ดีนะได้สมถะ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 ในงานอยู่ลําบากตอนนี้ยังรูสึกว่าติดเพลงนิดหนึ่งใช่ครับติดเพลงให้รู้ไปนะรู้ไปเลยบวชนานไหมก็ประมาณเดือนหนึ่งครับอ๋อไม่เป็นไรบวชไปเถอะบวชแล้วก็ดูใจของเราเยอะๆนะอย่าดูคนอื่นเดี๋ยวจะเลิกนับถือศาสนาครับมีคนบวชเยอะเลยแล้วไม่เข้าวัดสึกแล้วไม่เข้าวัดอีกขอบคุณาครับใช้ได้แล้ว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 แอะไรอีกข้อหนึ่งนะและอีกอย่างนึงนะครับคือสมมุติว่าถ้าเกิดเราไม่ให้จิตคิดได้ไหมไม่ได้คือดึงจิตไว้ที่สติปัฏฐานอย่างเช่นดึงจิตไว้ที่อริยบทของเราที่นั่งดินยืนนอนนั้นเป็นการเพ่งเป็นสติปัฏฐานก็คือหมายความว่าอาจจะใช้หลักธรรมะมาช่วยอย่างเช่นเราทําอะไรผิดปุ๊บเนี่ยเราก็รู้ว่ามันเกิดดับเปลี่ยนแปลงก็คือเราใช้ลักษณะของสติปัฏฐานของฐานธรรมเนี่ยมาปรับไปยุกต์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 แต่แทรกแซงแล้วก็ให้รู้ทันนะว่าแทรกแซงอยู่นามาส ก, การหลวงพ่อค่ะคือหนูรู้สึกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานี้รู้น้อยลงมากกว่าสัปดาห์ก่อนก่อนนะคะเป็นเพราะว่าทำในรูปแบบน้อยคือว่างานทางโลกเยอะบางทีก็อดนอนเนี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามีจิตมันจิตเศร้าหมองอก็ดีแล้วที่รู้ว่าจิตเศร้าหมอง แล้วก็โทสะเกิดง่ายเออดูดีแล้วที่รู้ว่าโทสะเกิดอยากให้หลวงพ่อช่วยชีย้อยากก็ให้รู้ว่าอยากเออนี่ยไม่มีอะไรนะรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆ ร, รู้สึกไหมจิตขนาดนี้กะต่กี้ไม่เหมือนกัน<ะ>เมื่อเช้ามันตื่นขึ้นมาแว บ, บหนึ่งนะตอนนี้กลับไปทื่อๆ อ, อีกแล้วดูออกไหมอย่าไปกดให้มันทื่อๆนะหนูต้องฝึกยังไงคนะฝึกความเข้มแข็งไว้นะอย่าขี้อ้อนมากออวันนี้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 คืออยากจะขอโอกาสถามนะคะคือว่าตอนนี้นี่คือรู้สึกว่ากิเลสมันละเอียดขึ้นนะคะอยากจะข อ, อนามสการขอโอกาสนะคะว่าทำยังไงมันถึงจะตั้งมานะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่จะตามรู้ในกิจวัตรประจวาวันนะคะแล้วก็ตอนนี้คือเหมือนกับว่ากิเลสมันละเอียดขึ้นจนสอง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 แต่ละข้ามพข้ามชาติจะละกิเรสได้ก็เพราะสิ่งนี้ไม่ใช่เพราะการคิดคำนวณเอา <Yeah. S 1> นักคิดนักปรานั้นมีเต็มโลกนะมีมาแต่สมัยไหนสมัยไหนไม่เห็นจะพ้นทุกข์ทักคนเลย <Yeah. S 3> มีผู้ฝากคำถามที่อาจจะดูเป็น FAQ เลยครับหลวงพ่อแต่เขาย้ำว่ายังไงต้องช่วยถามหลวงพ่อด้วยคำถามคืออยากให้หลวงพ่ออธิบายว่าจะจัดการอย่างไรถ้าเรามีอัตราสู ง, สง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 สัพเพปูเรนตูสังกปาจันโดปันนรโสยถามณีโชติราสโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพพโรโควินสัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังมุธาปจจายโนจตตาโรธรรมาวัันติอายุวันโนสุขังพลง